เอาสาบินมาจากสิงคโปร์เนี่ยมาทำบุญเนยะมาบ่อยปีหนึ่งมาสองสามครั้งแต่ที่สิงคโปร์ก็เหมือนเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยบินกันชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแลมาอยู่ห้าวันมาทำบุญอยากจะมาทำบุญมาจากที่ไหนกัน ทเทพเลยครับเคยมาปะไม่เคยครับเน แ, แล้วอะไรดลบรรดาลให้มาที่นี่วันนี้ได้อ่านบทธรรมะของพระอาจารย์ในเ o k ูกับอ๋อไปเจอเขาอ้ายังไงมีคนแชร์ไปเลยมีคนแชร์มาครับอ๋อเรเป็นงานชอบใจเลยครับัรู้สึกเข้าใจครับอ่า เคยติดตามถ่ายทอดสดบ้างไหมถ่ายทอดสดยังไม่ได้ดูครับอนี่ก็มีถ่ายทอดสดทุกวันนะคร บ, บายสองโมงถึงสี่โมงโดยประมาณมีทั้งเฟซ e b o o k มีทั้ง y o u ยูทูบถ้าไม่ได้ติดตามสดก็ดูคลิปย้อนหลังก็ได้เขามีเก็บไว้มีอะไรอยากจะถามไหม อถามมาพอดีว่า อ, อ <c oughs> ผมก็แปลงนะเคยปฏิบัติครับแล้วก็พอไปปฏิบัติสถานที่ปฏิบททัติแห่งหนึ่งพอปฏิบัติเสร็จแล้วอะ่ะมันเกิดความเครียด จ, จนมันเออเลิกไปเลยต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับอแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังกินยาอยู่ก็แต่ว่าอยากจะกลับมาปฏิบัติอี่แต่หมอเขาบอกว่า ให้หมดการปฏิบัติืมก็เลยอยากจะมาถามว่ามันมีวิธีไหนที่จะให้กลับมาปฏิบัติได้เหมือนเดิมไหมครับก็ต้องสร้างสติขึ้นมาปัญหาก็คือเราไม่มีสติกันถ้าปฏิบัติไม่ถูกเราไม่มีสติเวลาไปเจออะไรมันก็ทำให้ใจเราแตกได้ทำให้ใจเราเสียได้เออ คราที่แล้วที่ไปปฏิบัตินี่เขาสอนให้ฝึกสติก่อนหรือเปล่ารู้จักพุโทโธพุโทโธไหมเป็นลักษณะอียาบทย่อยครับเอ่ามันไม่พอหรอกมันต้องคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธอยู่นี่มันก็จะไปคิดอะไรไม่ได้หรือเวลาเรานั่งแล้วไปเจออะไร ถ้าเรานั่งแล้วเรามีพุโทโธอยู่นี้มันจะไม่เจออะไรมันจะสงบมันจะเย็นจะสบายแต่ถ้านั่งโดยไม่มีพุโทโธนี่เหมือนนั่งปล่อยให้จิตมันคิดไปจินตนาการไปเดี๋ยวมันก็ไปคิดนู่นคิดนี่เป็นนู่นเป็นนี่ไปมันก็เลยพอไปเจออะไรน่ากลัวน่าอะไรมันก็ตกใจเสียสติได้ การปฏิบัติที่ถูกต้องต้องมีสติคอยควบคุมใจพุทโธนี่ดีที่สุดการดูเรียบบนนี่ถ้าสติเราไม่มีกำลังมากพอเราดูไม่ได้ดูแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มันก็วจิตมันก็แสดงอะไรออกมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วก็จะหยุดมันไม่ได้ถ้าเรามีพุทโธนี่เราหยุดมันได้พอมีอะไรขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป อยาไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏให้เรารับรู้เพราะการนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการรู้อะไรไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการความสงบต้องการความว่างจิตมันจะสงบมันจะว่างก็ต้องมีพุโทโธนี่แหละคอยหยุดจิตจิตมันชอบผลิตเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยจิตมันชอบฉายหนังให้เราดูหลอกเราสร้างอาการอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิใช่ไหม นั่งไปแล้วมีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคือไม่ได้ปรากฏเว้คือเป็นลักษณะของการเข่งปฏิบัติเกินไปอ่ะครับเข่งจังถ้าเข่งมันก็ดีแต่ถ้ามันปฏิบัติถูกยิ่งเข่งก็ยิ่งดีเข่งแบบไหนมันถึงทําให้เครียดอ่ะอไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะ <laughs> คือลักษณะของการปฏิบัติเหมือนอย่างหนอกาวหน่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าต้องถูกสเต็ปของของพระจางที่สอนและทีนี้ถ้าไม่ถูกก็เครียดครับเพื่อถูกจี้แล้วทีนี้ไปอยู่เป็นคอร์ส15วันปฏิบัติตามลำพังอะครับก็ตอนที่ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เงียบแต่พอกลับมาสู่ภาวะปกติ มันมีเสียงดังจนลับไม่ไหว่ะครับก็เลยเออเลอเิกเลครับเสียงดังจากที่ไหนจากข้างในและข้างนอกจากดังเลก็เสียงธรรมดายอย่างนี้เลยแล้วมันดั ง, งไงเมื่อก่อนก็อยู่คัมันได้ทําไมตอนนี้อยู่ไม่ได้จิตเราไปไปลังเกียดมันขึ้นมาเองนละอยากจะได้แต่ความเงียบความสงบพอได้ยินเสียงหน่อยก็เกิดอาการขึ้นมาใช่ไหมเป็นยังไง อยากจะเงียบอยากจะไม่มีเสียงความอยากมันก็เลยทำให้เราเครียดเราต้องอยู่กับความจริงรูปเสียงกลิ่นรอสมันเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดมันจะดับมันจะมามันจะไปถ้าเรามีสติเราก็รู้เฉยเฉยไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เครียดอาจารย์ไเครียดพอาเราอยากใช่ไหม แล้วเราไปสั่งมันได้เปล่าเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งมันได้เปล่แล้าทำใหเราอยู่กับมันได้ก็เพราะว่าเรายอมรับมันใช่ไหมเสียงมันก็เหมือนกันเสียงมันก็เนฝนฟ้าอากาศเราอย่าไปสั่งมันเิะเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็อยู่กับมันได้เข้าใจไหม การปฏิบัตินี้มันมีสองขั้นขั้นแรกคือสติขั้นที่สองคือปัญญาปัญญาต้องรู้ว่าทุกอย่างที่มาเรามาสัมผัสรับโน้นี่มันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้บางอย่างก็ควบคุมได้บังคับได้บางอย่างก็ไม่ได้อย่างไหนที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้มั น, เ ป, น, น, นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อย่างแฟนเรานี่บางทีควบคุมได้ใช่ไแต่บางทีก็ควบคุมไม่ไดนะ้ถ้าควบคุมได้ก็ควบคุมไปควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วเราจะไม่เครียดที่เราเครียดเพราะเราไม่ยอมปล่อยเขาเวลาที่เราควบคุมกขาไม่ได้ยังอยากให้เขาเป็นอย่างท้อย่างใจของเราอยู่อยังความอยากตามความอยากของเราอยู่เราก็เลยเครียด ถ้าเรายอมรับทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรูบ้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้คนเขาจะดา่าเราเราห้ามเขาได้ป่า <Okay. S 1> เ, เขาจะชมเราเขาจะรักเราเราไปห้ามเขาได้ป่าว <Okay. S 1> เ, เราก็เฉยๆไปอย่าดีใจเขารักเราก็อย่าไปดีใจเพราะเดี๋ยวก่อนเขาเปลี่ยนไปเขาไม่รักเราก็จะเสียใจเพราะไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมคำว่านิจังแปลว่าไม่มีอะไรแน่นอน เขาลักเราวันนี้พมื่งนี้เขาอาจจะเกลียดเราก็ได้เขาก็เกลียดเราเราทําใจได้หป่าคนที่เคยรักเราแล้วก็มาเกลียดเราเนี่ยเนี่ยการปฏิบัติเพื่อให้เราทําใจรับ ก, กับเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรคงเส้นคงวาเหมือนเดิมตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ร่างกายเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วย เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็แก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ตา ย, เ, ยเรามาฝึกมาสอนใจให้ให้ทำใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้บางอย่างก็สั่งได้บางอย่างก็สั่งไม่ได้สิ่งที่เราสั่งไม่ได้เราก็ต้องทำใจให้ได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อน เขาสอนอนี้บ้างเปล่านะไม่สอนหรือสอนแี่เราไม่ฟังไม่เชื่อการปฏิบัติก็ให้เราปล่อยวางทุกอย่างอะไรที่ไม่ใช่ของเราอะไรที่ไม่เที่ยงปล่อยมันไปไม่มีอะไรมันเป็นของเราทักอย่างทุกอย่างมันเป็นดินน้มลมไฟของมาจากดินน้ำลมไฟอย่างนั้น รากายนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟบ้านช่องเข้าของต่างๆก็เป็นดินน้าลมไฟมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับนี่คือปัญญาเขาจะนะนี่พอเรามีความอยากเราก็เครียดเวลามันจะมันจะไปแล้วไม่ยอมให้มันไปเราก็เครียดขึ้นมาเวลามันมาแล้วเราไม่ต้องการให้มันมาเราก็เครียดเอง เราต้องปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปอย่าไปยึดไปติดมันแล้วเราจะไม่เครียดวิธีที่จะปล่อยก็ต้องพุโทโธพุโทโธทําใจให้เฉยเฉยอย่าคิดอะไรกับอะไรทั้งนั้นปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็าไปอยู่ที่นิ่งๆเงียบๆของเราคนเดียวสงบสบายอยู่ในสมาธิาใจเราจะเย็นจะสบาย ออกมาเราก็พยายามรักษาให้มันเย็นสบายโดยการที่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องราวต่างๆปล่อยวางเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้่าเป็นยังไงแล้วก็รับมันไปเสียงจะดังก็รับมันไปเสียงจะหายไปก็รับมันไปเฉยๆไว้การนั่งสมาธินี้เป็นการฝึกทาใจให้เฉยๆให้ปล่อยวาง แล้วต่อไปเวลาเราเจออะไรเราก็จะได้รู้ว่าการเฉยๆปล่อยวางเนี่ยดีที่สุดสบายที่สุดมีความสุขมากที่สุดนะลองไปทำดูลองฝึกสติขึ้นมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่ใช้ได้ทุกตลอดเวลานั่งสมาธิก็พุโทโธได้อยู่ใน i d ยาบทต่างๆก็ใช้พุโทโธไปได้ง่ายกว่าสบายกว่า พุทโธเพื่อไม่ให้คิดเพื่อไม่ให้อยากก็นั้นแหละเพราะถ้าคิดอยากแล้วมันจะทุกข์มันจะเครียดแล้วมันจะไม่สงบมันจะฟุ้งซ่านลองหัดพุทโธไปไม่ต้องดูลมพุทโธนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับลมต้องพุทโธพุทโธไปภายในใจตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลย ปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยไม่ต้องไปวัดอยู่ที่ไหนก็พุโทโธได้อาบน้ําก็พุโทโธล้างหน้าก็พุโทโธแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ท่านจะคิดจะคิดแต่เรื่องที่จําเป็นจริงๆเรื่องงานเรื่องการอย่าไปคิดเรื่องเพ้อเจอ้อเพ้อฝันต่างๆอย่าไปอยากได้นู่นอยากได้นี่อยาเป็นนั่นเป็นนี่ หยุดมันด้วยพุโทโธแล้วใจจะเย็นจะสบายรู้ใจไหมอย่างมีก็แสดงว่าผมก็กลับมาปฏิบัติได้เหมือนเดิมได้ไม่นมีปัญหาอะไรตอนนี้คุณก็เป็นปกติอยู่ไม่ใชคือผมก็ปกติครับเออแต่ทีเนี้ยหมอเขาบอกคือแฟนผมก็เป็นครับพอดีหมอเขาบอกให้หยุดไปว่า การปฏิบัตินี้มันถ้ า, ถ า, ถ า, ถาปฏิบัติถูกต้องมันมันดีมันเป็นการรักษาใจมไม่ปฏิบัติเน่ยไม่ดี ถ, ถ้ามีสติแล้วใจมันก็จะสงบสบายเย็นมีความสุขถ้าไม่มีสติดเนี๋ยมันก็ฟุ้งขึ้นหม่เดี๋ยวก็เครียดขึ้นหมาความเครียดมันเกิดจากใจที่ไม่สงบใจที่ไม่มีสติควบคุมความอยากความคิดต่างๆพอให้คิดแล้วก็อยากพออยากแล้วก็เครียดขึ้นมา แล้วจําเป็นไหมที่ที่ผมต้องต้องนั่งเป็นรูปแบบหรือว่าให้พุโทโธนั่งได้ก็นั่งถ้าอย่างนั่งไม่ได้ก็พุโทโธไปก่อนครับ อ, อได้นั่งเวลาไม่รู้จะทํำอะไรก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปเท่นั้นเองไม่ต้องดูลมอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจลมไม่สนใจระยะบวชแค่สนใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียว มันง่ายไม่อยากจะสอนยากๆเอาแบบง่ายๆก่อนให้ท่องพุโทโธไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันคิดไม่ให้มันอยากแล้วมันก็จะเย็นจะสบายจะเบาเอาไว้ทำดูอดันนี้มีอะไรไหมเรอยังขาดเตียนทำแอ่ว่า เออเราไม่รู้ลอย่าถามเราเลยคุณสายก็เรื่องของคุณสายแเราอย่าไปยุ่งกับมันก็มันมันก็ไม่มายุ่งกับเราศาสตร์ใดต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นศาสตร์ที่จะมาดับความทุกข์ใจเราได้อย่าไปสนใจมันถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันมายุ่งกับเราอย่างเงี้ยมันไม่มาหรอกเราก็มีเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันไม่มายุ่งกับเรา มันมามัน ต, ตบมือข้างเดียวไม่ดังเข้าใจไหมแต่เราอยู่เฉยๆพุทธโธพุทธโธไปเรายึด ต, ติดอยู่กับพระพุทธพระพรัตนาตายแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างเดียวพอดีชั่วยอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่การกระทําของคนอื่นคนอื่นจะทําคุญสายกี่กี่ล้านครั้งกี่พันครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนกฎแห่งกรรมได้ กฎแห่งกรรมนี่เป็นตัวที่ชี้ชะตาของเราอย่างแท้จริงเราทำดีมันต้องดีทำชั่วมันต้องชั่ว น, นอย่าไปทำชั่วทำแต่ทำความดีไปแต่ในขณะที่เราทำความดีเรายังอาจจะรับผลไม่ดีก็ได้เพราะเราเคยทำความชั่วมาก่อนในอดีตมันกำลังรับผลของความชั่วอยู่ก็ใชไหมมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราทำความดีแล้วไม่ได้ดี พอมันปลูกข้าววันนี้มันจะให้มันโตวันนี้เลยหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลากว่าผลของความดีมันจะโผล่ขึ้นมาแต่มันโผล่ทันทีก็ที่ใจเราเนี่ยทาความดีปั๊บเราก็มีความสุขใจขึ้นมาทันทีรักษาศีลได้เราก็มีความสุขใจทันทีนั่งสมาธิได้ใจสงบเราก็มีความสุขใจทันที พอเรามีความสุขใจแล้วใครจะมาทำอะไรมันก็ไม่สามารถลมล้างความสุขใจของเราได้เข้าใจคุณสายวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่สามารถมาลบล้างผลที่เกิดจากการทำของเราได้ในใจของเราผลที่เกิดขึ้นในใจนี้ไม่มีใครมาลบล้างได้เราทำบุญปั๊บเราก็มีความสุขใจขึ้นมาทันทีเรานั่งสมาธิได้เราก็มีความสงบมีความสุขใจขึ้นมาทันที เรารักษาศีลได้เราก็มีความสุขจากการรักษาศีลทันทีไม่มีใครมาเปลี่ยนได้ต่อให้ทําคุณไสยยังไงมันก็ไม่สามารถมาล้มล้างความสุขใจที่เกิดจากการทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาได้เราคิดไปเองเขาว่าไปล้วก็เชื่อเขาอ๋อมึงไม่ได้นู่นนี่ก็เพราะมึงถูกเขาโดนทําอย่างงู้นทํำนี้ก็เชื่อเข้าไปใช่ไหม มึงไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศก็ถูกก็ก็หาว่าโดนคุณใส่แล้วก็เชื่อเขาคอาจริงมันยังไม่มีเหตุที่ทำให้เราได้เลื่อนขั้ น, นก็ไม่ได้ถึงเวลามันจะได้มันก็ได้เองใช่ไหมเห็นคนเรียนหนังสือก็ต้องเรียนไม่จบเสย่ยจะโดนคุณใส่ถ้าเรียนไปตั้งใจเรียนหนังสือไปโรงเรียนทั้งวันมันก็ต้องจบได้แหละใครยังมาทาคุณใส่ยังไงมันก็ทาไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ไปเรียนสักอย่างมันก็ไม่จบหรอเพอไม่เรียนก็ไปอ้างว่าถูกก็ทำคุณไสยมันไม่ใช่เราเพราะตัวเองขี้เกียจเรียนมากกว่าไม่อยากจะไปโรงเรียนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอาจารย์ไหม อ, อันนี้ดีหรอกในเรื่องคุณไสยเรื่องอะไรต่างๆเป็นเรื่องความงมงายอย่างน้นมันก็คนทำคุณไสยได้มัน ก, มนก็มันก็ต้องเป็นเจ้าโลกได้สิ ทำให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นทําให้คนนี้เป็นอย่างนี้ได้แล้วตัวมันเองเป็นยังไงตัวมันเอก็ยังต้องมาทําอาชีพคุณใส่อยู่เนี่ยทำไมมันไม่ไม่ทำให้มันเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปซะเลยใช่ไหมอ่มันมันไม่ไม่ใช่เรื่องการจะได้อะไรเป็นอะไรมันอยู่ที่กรรมคือการกระทําของเราการกระทําทางกายวาจาใจนี่แหละเป็นตัวที่จะทําให้เราดีหรือชั่ว จเจริญรือสุขจเจริญเจริญเรือเสื่อมสุขหรือทุกข์เป็นใหญ่เป็นโตรหรือตกอับนี่มันก็อยู่ที่การกระทำของเราเนี่ยแหละไมไ่เกิดจากใครเนาะอืมเรียนทค่ะในการไปปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยก็จะดีในช่วงที่อยู่ในคอร์สแล้วเวลาออกมามันก็ ก็เราไม่ปฏิบัติต่อมันก็เราไปทําอย่างอื่นแทนมันก็ถอยเลยเหมือนกับเอาน้ําแช่ในตู้เย็นมันก็เย็นพอมาจากตู้เย็นวางไว้ข้างนอกมันแล้วไม่มีอะไรมารักษามันไว้มันก็หายเย็นเราก็ปฏิบัติต่อเลยตามที่ไปคลอดนี้เพื่อไปเรียนรู้วิธีปฏิบัติพอรู้แล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติต่อไม่ใช่พอกลับมาปักก็เลิกปฏิบัติ การปฏิบัตินี่ถ้ามันปฏิบัติแล้วมันต้องต่อเนื่องไปจนถึงวันตายเลยมันถึงจะดีไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติแล้วก็หยุดเหมือนก็มันก็เหมือนกับกระตายมันต้องเหมือนเตาเลยเตามันคานมันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทีละเก้าสอง้าสองเก้าไปมันไม่รีบร้อนไปสบายสบายดีกว่ากระตายบางช่วงก็ฮึกคก็ไปปฏิบัติ พอบางช่วงขี้เกียจก็ไปเที่ยวไปเล่นกันเนี่ยมันก็สู้ก็สู้เต่าไม่ได้เต่ามันไม่ไปเล่นมันไม่ไปเที่ยวมันก็ปฏิบัติของมันไปทำหน้าที่ของมันไป mm hmm. เดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเลยนะการปฏิบัติต้องต่อเนื่องเหตุต้องต่อเนื่องผลมันต้องยึต่อเนื่องถ้าเหตุไม่ต่อเนื่องผลมันจะไปต่อเนื่องได้อย่างไร วันนี้เข้ามากี่คนนะตอนนี้สามร้อยสิบเจ็ด่เมื่อก่อนเต็มที่เท่าไหร่เมื่อกี้กว่าอ๋อมนก็ตอนต้นเป็นภาษาอังกฤษมั้งคนเลยถอยไ้ก่อนอย่างนี้กลับมาเป็นภาษาไทยแล้ YouTube มีสามสิบสองขึ้นไปเ่ยตอนนี้ไม่มาแล้วนะไมชาลานก็ไม่มาชาลานเขาก็มาทาง YouTube นมาทาง Facebook ชาลัน YouTube. YouTube ครับยูทูปชาลันอยู่สีนังกาโทนี่อยู่ลาสเวกัสอันนี้ชาวต่างประเทศไม่รู้มีมา้างไหมลงส่งข้อความมาบอกหน่อยสนะิอยู่ที่ไหนบ้างเงียบเงียบหายไปหมดมีแต่สาธุสาธุนะ้ำมันอ๋อมีคำถามไหมทางบ้านเดินทางนี้มีใครอยากจะถามต่อไหม เดีย๋ยถามต่อก่อนอขออนุญาตคราจารย์ครับขอเล่าการปฏิบัติของผมแล้วก็ถามหลังจากที่ปฏิบัติเสร็จแล้วขอนุญาตให้อาจารย์แนะนําครับ <ขอ S 2> กส็สั้นๆได้ไหมสรุปยาอย่ า, ยาเป็นประวัติเต็มร้อยเลยเหนะียวใช่ครับออ เ, เอาก็อยากจะให้พูดเรื่องคําถามจะดีกว่าปัจจุบันก็ตอนนี้ปฏิบัติทำสมาธิครับหลังจากทําแล้ว ทำยังไงเวลานั่งสมาธิทำยังไงนั่งดูลมหายใจครับเ้วก็หลังจากนั้นคือผมไปดูยใน y o u t u ู e แล้วก็ศึกษาจากพระอาจารย์คลิปหลากหลายครับแต่ก็นำมาปฏิบัติหลังจากปฏิบัติแล้วมันทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขาริญญา มันเราเราคอบคุมมันไม่ได้ครับมันคิดเองมันทำเองมันจำได้เองมันสุขเองมันเศร้าเองทั้งๆั้งที่เราก็อยู่เฉยๆของเราแสดงว่าทุกสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่ของเราเราควบคุมมันไม่ได้ผทําเลยทาให้เราผมก็เลยรู้สึกว่ามันเมื่อมันไม่ใช่ของเราผมก็เลยปล่อยวางมันครับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปกายปล่อยยังไงปล่อยยังไงไม่ไปเครียดไม่ไปอยากได้กับมันอืมคนจะว่าอะไรมาแต่ก่อนผมโกโรธอืมมีอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยแล้วก็อารมณ์ขึ้นง่ายอืมแต่ทุกวันนี้คนจะว่าอะไรก็ไม่โกโรธกับมันเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราร<ล>ู้ที่เราได้ยินอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาอืมมันก็เกิดขึ้นเอง แต่ว่าเราก็ควบมันคุมมันไม่ได้แล้วพวกของเงินที่เราคุมได้ล่ะข้าวของเงินทองนี่ทำยังไงกับมันล่ะแฟนมีหเปล่ามีแฟนลูกมีอเปล่าลูกยังไม่มีแฟนยังหวงอยู่หรืเปล่าตอนนี้ก็ไม่หวงครับไม่ใช่ของเราใช่ไหมตอนรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราถ้าเกิดถ้าเกิดก้าวไปมีแฟนเราจะทำางไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค สายใจควบคุมเขาไม่ได้เลยอ่าเข้าของเงินทองก็เหมือนกันใช่สมบัติอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็ถ้ามีเงินตอนนี้มีเงินเดือนก็กินแค่อยู่ได้อืมไม่ได้ฟุ้งเฟยเหมือนแต่ก่อนอแล้วมียังมีอยากอะไรอยู่เป่าตอนนี้ยังอยากตอนนี้แค่ไม่อยากทําอะไรที่มันวุ่นวาย อย่างเช่นงานประจำปัจจุบันอยากมีชีวิตที่สงบซึ่งมันก็สงบได้ครับอยู่ในงานประจำแต่คิดว่ามันคับแคบเกินไปแล้วทำไมไม่เลิกทำะ่ะตอนนี้ผมไปกู้หนี้มาครับก็เลยเลกไม่สามารถออกจากงานไปทําำได้ก็ไปกู้หนีม้มาทำอะไระ่ะกู้หนี้มาซื้อที่ดินแล้วก็จ่ายหนี้ให้กับทางแฟน อ๋อก็เคยนเข้าไปไม่ได้เลยที่ดินตอนนี้ราคามันยังไม่ถึงอ่อเราไม่ยึดไม่มันเราไม่ยึดไม่ติดมันไม่ใช่ตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจแต่ก็ยังมีอีกเล็กน้อยแต่ก่อนมีห่วงเยอะทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ทั้งอนาคตเท่ามันไม่เป็นของเราทำงานไม่ทิ้งไปให้หมดอะก็ยังไม่ทิ้งอะไร ก็ยังไม่ก็ยังไม่ตัดก็ยังก็ยังติดอยู่อ่าตัดได้ไหมวะออนั่นแหละเขพยายามตัดให้ได้ก่อนครับอตัดแล้วไปบวชได้นะทเนี้ไปครึ่งทางแล้วไอ้รูปสัญญาสัญญาสังขารนี่มันละเอียดกว่ายังไม่ต้องไปตัดมันนาะยังตัดมันไม่ได้ครับเอตัดไอ้ลาบยสรละเสริญเนี่ยลกก็ทำแปดให้ได้ก่อนตัดลาบยศสละเสริญลูกเสียงกลิ่นรดเนี่ย ถือสีน้ำตาลได้ไหมถือได้ครับอ่ถือหรเปล่าอ่ะถือสีห้าปกติครับตอนนอี้อ่าใชก็ต้องถ้าถือถือได้ก็ต้องถือสิอออการถือสีน้ำตาลก็เป็นการตัดแลนะ้วเนี่ยการตัดสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรารูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่เป็นของเราตัดไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงฟังเพลงก็เสียงใช่ไหมดูดูหนังก็ดูรูปเนี่ย ของพวกนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเราอขึ้นมาได้เลยนะจะขึ้นมาข้าของมาถวายก็เข้ามาครับคุณครับออบางทีมันมองข้างของใกล้ตัวไปมันชอบไปมองของใกล้ตัวกิเลสมันชอบหลอกเราของที่เรายึดติดมันไม่ให้เรามองเห็นมันจะให้เราไปเห็นของที่เราไม่ได้ยึดไม่ติดหรือไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สำคัญกับเรา ของที่มันให้เรายึดติดนี่มันไม่ให้เรามองเห็นของใกล้ตัวเราเนี่ยมันแฟนเราพ่อแม่เราพี่น้องเรางานการอะไรทั้งนี้เรายังติดอยู่กันทั้งนั้นแหะติดโดยไม่รู้ตัวอแล้วมันก็หลอกให้เราไปมองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนูน่นนั่นยังอีกไกลกว่าจะไปเลิกไอ้ตัวนั้นได้อีกไกลอันนี้เลิกแบบเพียงแต่คิดไปเท่านั้นเองความจริงยังติดมันอยู่เวทนาก็ยังติดเป็นอยู่ ยังติดสุขก็เวทนาอยู่ติดสังขาอยู่ยังชอบคิดปรุงแต่งไปทางความอยากอยู่ละเอียดของวันนี้เอาของห ย, ยาบๆที่เราเห็นกับตาได้ดีก่อนใช่ไหมอย่าไปผูกพันกับสิ่งต่างๆล า, าบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสวิธีตัดรูปเสียงกลิ่นรสก็คือเนี่ยถือสินแต่แต่เลิกดูหนังฟังเพลงได้นห เลกไปเที่ยวได้ไหมอันนี้มันติดรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นเลือกเลิดื่มเครื่องดื่มต่างๆเลยมันดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวได้ไหมร่างกายมันต้องการน้ำเปล่ามันไม่ต้องการน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะนั่นเปนเรื่องของความอยากทั้งนั้นเรื่องของความติดทั้งนั้นติดรูปเสียงกลิ่นรสการดื่มนี่มันดื่มด้วย2วิธีดื่มให้กับร่างกายกับดื่มให้กับกิเลส ถ้ด่มให้กิเลสมันก็ต้องมีฟองมีกลิ่นมีสีมีรสเนีมันถึงต้องมีกาแฟมีเบียร์มีไวมีวิสกี้มีอะไรต่างๆอันนี้มันเรื่องของกินดื่มเพื่อกิเลสเท่งนั้นเน่ยถ้าดื่มเพื่อร่างกายก็น้ำสะอาดเนี่ยน้ำเปล่าร่างกายต้องการน้าเปล่าแล้วเป็นประโยชน์กว่าด้วยไม่มีโทษดื่มไอของที่มีกลิ่นมีสีมีรสแล้วเป็นงไงร่างกายก็พัง ดื่มเหล้าดื่มเบียร์กาไปเดี๋ยวตับไตไส้พุงก็พังควันก็ชอบสูดเข้าไปเวลาเจอควันพิษก็เอาหน้ากากาปิดหน้าพอไม่มีควันพิษก็บุหรี่สูดเข้าไปแทนใ <c oughs> นกิเลสมันหลอกให้เราเห็นชัดๆเนี่ยถ้ากลิ่นที่มันไม่ชอบก็เอามาปิดหน้าปิดจมูกพอเจอกลิ่นที่เราชอบก็เปิดมันเข้าไปเลยทั้งที่มันเข้าไปทำลายร่างกายเรามันก็ยังเอาเข้าไปอยู่ ยาเสพติดต่างๆที่มันสูด ก, กันเข้าไปโอ้กิเลสมันร้ายมันฉลาดมันหลอกให้เราตายอยู่กับมันนี่มันใช้เราหลอกเรา อ, า, อาจายรย์นะการปล่อยวางมันเหมือนกับการการการ ป, อปล อ, อกผลไม้อะ ตอนต้นแล้ต้องปอกออกเปิกทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเอาเอ า, เอาเนื้อทิ้งไปแล้วค่อยเอาเม็ดทิ้งไปมันเป็นชั้นๆเข้าใจไหมหนึน่งที่เราต้องปล่อยกันกของภายนอกลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆเป็นของภายนอ ก, อนอกปล่อยมันไปก่อนเอามาก็มาปล่อยร่างกายเรามาก็ปล่อยเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนีนยน่ย มันติดอยู่กับทุกขเวทนาเนี่ยต้องอยู่กับทุกขเวทนาให้ได้เราถึงค่อยเข้าไปปล่อยในจิตอีกทีเนี่ยจิตนี่เป็ น, มนเมล็ดละเข้าไปถึงเมล็ดตอนต้นเอาเปลือกก่อนยังเข้าไปยังเปลือกยังไม่ได้ปล่อยมันจะเจาะเข้าไปไปปล่อยข้างในได้ไปปล่อยเนื้อได้งไง ต้องปล่อยของข้างนอกก่อนของที่ง่ายก่อนลาบยศจันละเส ร, ริญลูกเสียงกลิ่นรถนี่มันง่ายกว่าปล่อยร่างกายาอ่าถามว่ า, นนา ใ, นในการปฏิบัติเนี่ยเวลาที่รู้สึกว่าใจเบาแล้วก็ไม่ว่าจะฝนมลหรือว่าแผ่นเนื้อตามาันมีปิติเกิดขึ้นมาอือเฮ้เวลาปิติเกิดอะคะเรากําหนดยังไง รู้เฉยๆรู้ว่ามันไม่เที่ยงเนียมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ต้องไปดีใจเสียใจไปกับมันอย่าไปบางอาจารย์เขบอกว่าให้กำหนดว่าให้รู้ว่าเมื่อกี้มันไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้นไปเองก็แล้วงมันไม่เที่ยงไงมันก็หายไปถ้าคนคิดอย่างั้นมันก็ยิ่แรงขึ้นเรื่อยมันก็ดูอะไเงี้ยมันแรงก็ช่างมันแรงเดี๋ยวมันก็เบาตอนนี้มันหายไปไหนแล้วดูไปเลยเฉยๆเหมือนดูหนังแหละมันจะพาเราไปทังไหนก็ปล่อยมันไป แต่เวลานั่งจริงๆไม่ควรไปดูมันซ้ำาไปให้กลับมาอยู่ที่สติของเราถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่น ใ, ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมันไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นกลับมาที่ลมต่อหรือที่พุโทโธต่อเราต้องการให้มันเข้าสู่ความว่างสู่ความสงบถ้ามันยังไม่ว่างไม่สงบก็ทาต่อไป พิจารณาแล้วไม่มีวันที่จะไปถึงและวมันเปลี่ยนเปลี่ยนการปฏิบัติจากสมาธิไปเป็นปัญญาซึ่งปัญญาก็เป็นปัญญาแบบแบบกิเลสแล้วมันยังไม่เป็นปัญญาแบบธรรมปัญญาทําให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาแล้วตอนนั้นไม่ต้องการพิจารณาอะไรทั้งนั้นต้องการหยุดทุกอย่างต้องการให้มันสงบให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมอย่างเดียวไปเรื่อยๆจนกว่ามันรวมมันตกหลุมตกบอ่อแล้วมันจะหยุดไปเอง แต่ยังไม่รู้ยังไม่ตกลุมตกบอต ก, ก็พุทโทต่อไปหรือดูลมต่อไปอย่าไปพิจารณาเรื่องอื่นอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นให้เกาะติดอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุทโทไปอย่างเดียวเวลาที่มันเวลาที่เราดูลมหายใจถ้าเกิดรู้สึกว่ามันฟุ้งไปก็จะใส่พุทธโทรกำกับไปด้วยก็ได้มันก็จะยิ่งขึ้นอันนี้เวลาที่เรารู้สึกสบายมันก็ไปชอบตรงที่สบายอันนั้น เลยขี้เกียจทำต่อทำค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมันมันรู้สึกว่าสบายก็ดีสบายสบายก็ดีไปก็ทาต่อไปก็ดูแค่ว่ามันรู้สึกสบายถ้าสบายก็ไม่ต้องพูดถกก็ได้ดูลมไปถ้ามันไม่ฟุ้ง ก, ก็ดูลมไปอย่างเดียวแ้ว ม, มีมีบางอาจารย์ท่านก็คล้ายๆกับ น, นำเราปฏิบัติอะคะ่ะเหมือนกับว่าพูดถึงสภาวะข้างในให้เรารู้สึก ทีแรกก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าเอ้ยเหมือนถูกสะกดจิตหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ใช่ค่ะก็ทําตามได้แล้วก็พระพุทเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นน ะ, ะพระเจ้าไม่ได้สอนให้นําให้ให้ผู้ปฏิบัตินะปฏิบัติเองไม่ได้มานั่งบอกว่าตอนนี้ถึงขั้นนู้แล้วนะขัน้นนี้ถึงขั้นนี้แล้วนะเดี๋ยวมันหลอกให้คนนั่งฟังก็พิจารณาก็ก็ปรุงแต่งไปว่าเราถึงขั้นนู้นแล้วเราถึงขั้นนี้แล้ว ไม่ได้แล้วเวลาปฏิบัติจริงๆนี้ไม่มีใครมากํากับแล้วนอกจากเราต้องกํากับใจเราเองแค่นั้นเองเหมือนเหมือนรู้สึกว่าทําตามท่านไปแล้วเวลาท่านพูดปุ๊บมันก็มันก็คล้ายๆกับสบายใจโล่งใจอะไระสบายใจเลย<บ>นะที่พอออกไปแล้วเนี่ย อ, อืคือคือที่เคยปฏิบัติอันนี้แปลกอะค่ะก็คือทําตั้งแต่ตอนเช้าถึงบ่ายตต้นๆแล้วก็พอกลับไปก็ไปไปว่ายน้ํำที่ระหว่างว่ายน้ำนี่ก็แปลกตรงที่ว่า มันไปช้าๆใช่ไหมคะเราก็จะกําหนดเห็นการเคลื่อนไหวแล้วเวลาที่เคลื่อนไหวมือเท้าเนี่ยบางครั้งมันดูได้แค่มือสองข้างเท้าไม่เห็นแต่ว่าที่วันนั้นที่ปฏิบัติมันทั้งมือทั้งเท้าเห็นไปหมดเลยแล้วมันก็เริ่มเห็นใจที่เรามันสั่งให้เราทําแล้วมันก็เริ่มเห็นว่าทุกอย่างที่มันสั่งเนี่ยมันมันน่ากลัวค่ะเพราะมันสั่งเราได้หมดทุกอย่างออืแล้วพอถึงตรงที่กลัวนั้นมันก็เริ่มรู้สึกตกใจว่าไอ้เราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วหรือเปล่า แลวใจมันก็มองไปอ๋อเราเรามาสั่งเรามาปฏิบัติเพื่อควบคุมคําสั่งเหล่านี้ไงให้มันหยุดได้ถ้ามันสั่งไปในทางที่ไม่ดีก็มันหยุดได้ถ้ามันสั่งไปในทางที่ดีก็ปล่อยมันไปก็คือให้ดูมันไปให้ใช้พุทโธหรือใช้อะไรหยุดมันไม่ใช่ดูมันถ้าดูมันมันก็หยุดอรอกรู้สึกว่ามันมันน่าตัวที่มันโดนสั่งแบบนั้นเราก็พุทโธไปสิตอนนี้เราไม่มี คู่ต่อสู้มันไม่มีพูดโธมันก็สั่งเราได้ออกไปมันจะสั่งอะไรเราแล้วก็พูดโธพูดโธไปมันก็หายไปอย่าไปดูมันดูมันนั่นยันี้มันมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นนะถ้าดูมันเอาพูดโธพูดโธหยุดมันดีกว่าแสดงว่าต้องต้องทําไว้ตลอดให้กําจับใจเลยใช่ไม่ออกก็พูดโธอย่างเดียวพุทโอย่างเดียวอย่าให้มันทําอย่าให้มันคิดไปในทางไหนทั้งนั้น สติมันเป็นเหมือนเบรกรถยนต์เนี่ยถ้ามีสติแล้วมันหยุดความคิดได้ความคิดนี่แหละที่ทำให้เราไปทำดีทำชั่วกันทุกวันนี้ก็อยู่ที่ความคิดของเรานีน่ไม่ทันมันหยุดมันไม่ได้พอมันคิดแล้วมันก็เกิดความอยากพออยากถ้ามันก็เครียดพอไม่ทำตามความอยากก็ยิ่งเครียดใหญ่ก็เลยต้องไ่ทำตามความอยากแล้วก็มาเสียใจทีหลังก็กูไม่น่าทาเลย ถ้าหยุดมันได้ซะก่อนมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรความอยากมันละเอียดมากเลยค่ ะ, ะความอยากมันอาสัยความคิดเป็นตัวนำถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็โผกกขนมาไม่ได้แต่มันยังไม่ตายจะ ต, ตายก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากมันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขกันมันถึงจะหยุดได้อย่างแท้จริงและได้อย่างแท้จริง อยากสูบบุหรี่เนี่ยตอนต้องใช้ปัญญาลราดีไหมสูบบุหรี่เนี่ยสุขเดียวเดียวแต่ทุกตามมาที่หลังเป็นยังไงเวลาไม่มีบุหรี่สูบเครียดไหมแล้วเวลาร่างกายเจ็บค้าได้ป่วยจากพิษของควันบุหรี่เป็นยังไงมันคิดนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่กล้าอยากมันจะไม่อยากบุหรี่แต่ถ้าใช้พุทธโธพุทธโธมันก็จะหยุดชั่วคราวพอเพิ่ไปคิดถึงบุหรี่ก็อยากขึ้นมาอีก ต้องเห็นว่าบุหรี่นี่เป็นยาพิษถ้่เห็นว่าเป็นยาพิษมังจะไม่กล้าเข้าไปแตะอีกต่อไปอาจารย์ขอข้อค้อนได้เอาได้ได้ครับถ้าถ้าใจจมอยู่กับความทุกข์ความเหงาความเศร้าเราจะกำจัดมันยังไงก็เนี่ยแหละพูดโทไปทําใจให้สงบเหงาเพราะมันคิดถึงแฟนมันอยู่คนเดียวมันก็เหงาอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีรูปเสียง ก, กิน่นรถมา เสพมันก็เหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยแหละอพอเราพุโทโธพุโทโธจิตสงบเมื่อไหร่ความเหงาความเครียดก็หายไปหมดแล้วเพราะความอยากมันหยุดชั่วคราวเวลาเหงาเพราะอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีนั่นมีนี่มันก็เลยรู้สึกเหงาขึ้นมาแต่เราถ้าเราหยุดความคิดความอยากได้มันก็หายเหงาอย่างใจพุโทโธไปเนี่ยยา พุทโธนี้ใช้ได้กับทุกชนิดความทุกทุกชนิดแต่ว่ามันเป็นความเป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวยังไม่ถาวรถาวรต้องใช้ปัญญาต่อไปแต่ตอนต้นนี้เอาพุทโธก่อนเอาสติก่อนง่ายที่สุดเพราะว่าปัญญานี้มันหลากหลายมันต้องใช้กับความทุกชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกันทุกชนิดนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแบบนี้ทุกชนิดนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแบบนี้ มันมีหลาย ท, sk, ท, e, ทุกทุกหลายแบบทุกเพราะความตายก็ต้องใช้ปัญญาแบบหนึ่งทุกเพราะความเจ็บก็ต้องใช้ปัญญาอีกแบบหนึ่งทุกเพราะแฟนทิ้งก็ต้องใช้ปัญญาอีกแบบนึงทุกเพรอยากจะมีแฟนก็ต้องใช้ปัญญาอีกแบบหนึ่งมันถ้าใช้ป ivot, ัญญานี่มันมันมันมันมันยากกว่าเพรฉนั้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นก็เอาสติก่อนหยุดความคิดก่อน คิดถึงแฟนกพ็พูดโทพูดโธไปเดี๋ยวพอลืมลืมคิดถึงแฟนความความเหงาก็หายไปถ้าอยากจะแกค้ความความความทุกข์จากแฟนก็ว่าเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันแล้วเดี๋ยวดูอสุภะในร่างกายเขาบ้างก็ได้ดูตับตายไส้พงุงดูปอดดูไตดูกระโหลกดูโครงกระดูกของเขาบ้างนี่อยากจะมาเป็นแฟนกับคนนี้เหรอ อยากจะเป็นแฟนก็ไม่แต่เห็นหน้าเห็นกะโหลกเขาเนี่ยถ้าเห็นตับตายาใช่พรุงเขายังอยากจะเป็นแฟนก็อยู่หรือถ้าเขานอนตายไปวันนี้เขาตายไปวันนี้ยังอยากจะนอนกับเขาอยู่อ่ะให้มันคิดอย่างนี้แล้วมันจะไม่อยากจะมีแฟนการลองนอนกับผีดิบเนี่ยผีที่หายใจได้รู้ไหมเรียกผีดิบ แต่ไม่คิดกันก็เลยคิดว่านอนกับนางฟ้านอนกับเทวดาแต่ความจริงนอนกับผีผีไม่มาจากไหนร่นางกายไม่ไม่เป็นผีมันผีไม่มาจากใครใช่ไหมแต่ถ้ามาอยู่กับมันได้เพราะมันยังหายใจได้อยู่พอมไม่หายใจไม่เอายกให้สะะหับเปละอเลยเนี่ยพิจารณาแบบปัญญาแล้วคิดพิจารณาแบบนี้แล้วมันจะไม่คิดถึงแฟนอีกต่อไป อันนี้มันยากปัญญามันยากต้องไปฟังจากครูบาอาจารย์ผู้ที่เขาปฏิบัติมาแล้ววิธีแก้ปัญหาต่างๆด้วยปัญญานี่มันแต่ละเรื่องมันมันมันมันใช้ปัญญาคนละแบบกันถึงแม้มันจะเป็นอนิจจังเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนอ่ะมันเวลาจะใช้จริงๆมันมันมีเทคนิคอะไรต่างๆถ้าพิจารณาผมคนเล็บฝ้าหนังในตัวเองนี่ ะะต้ออง <snaps bows> ูีย <rebellion> ่ไหก็รู้ว่ามันมีอะไรเท่านั้นเองเหมือนกับเราทำอิ n เวนทอรี่ร่างกายเรารู้จากร่างกายเรามั่งเ่อตัวเรามีอะไรบ้างไม่รู้เลยรู้แต่หน้าตายนี่รู้แต่วิ่เข่าวี่ผมล้างหน้าล้างตานแต่อาข้างในนี้ไม่รู้เลยว่าไอ้ตับอยู่ตรงไหนไตอยู่ตรงไหนปอดอยู่ตรงไหนลำไส้อยู่ตรงไหนสมองอยู่ตรงไหนโครงกระดูกอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยแล้วเราจะรู้ว่าทั้งตัวเรานี่มัน ตัวเราอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ที่ผมหรออยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บหรืออยู่ที่ฟันมันไม่มีในร่างกายเรานี่มันมีแต่อาการต่างๆเราเป็นลำไส้เราเป็นตับเราเป็นปอดเวลาเขาตัดลำไส้ไปแล้วเราหายไปกับลำไส้หรือเปล่าเวลาเขาตัดผมไปนี่เราหายไปกับผมหรือเปล่าถอนฟันไปเราหายไปกับฟันหรือเปล่า มันไม่มีตัวเราไม่ได้มีอยู่ในร่างกายนี้เลยเราไปคิดขึ้นมาเองใจเราเป็นคนคิดแล้วก็ไปหลงกับความคิดของเราเองเรามาแก้าการพิจารณดูร่างกายนี้ก็เพื่อแก้ความหลงที่ไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราต้องดูอาการสาสิบสองเวลามันเริ่มต้นมันเริ่มต้นอยู่ที่ไหนมันเริ่มต้นจากพ่อจากแม่มาไม่ใช่เลยแล้วเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนส่วนของพ่ออยู่ตรงไหนส่วนของแม่ แเราครึ่งหนึ่งอยู่กับแม่แล้วครึ่งตัวเราครึ่งหนึงอยู่กับพ่อครึ่งหนึงอยู่กับแม่หรือเปล่าแล้วตอนที่พ่อแม่ไม่เจอกันแล้วเราอยู่ที่ไหนนะใช่ไหมลองไล่ไปดูเลยไล่ด้วยเหตุได้ผลดู่เราไม่ได้เป็นร่างกายเลยร่างกายนี่เป็นเรื่องของพ่อของแม่สร้างมาให้กับเราเป็นเหมือนของขวัญเนี่ยเวลาเขาให้ของขวัญมาเราเรารับของขวัญมาปั๊บแล้วร่างกายเป็นของขวัญไปเลยเลย ใช่ไหมคนรับกับของขวัญนี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าใจาเป็นผู้รับของขวัญจากแม่พ่อแม่มาก็คือร่างกายร่างกายนี้เป็นของขวัญจากพ่อแม่ให้กับเรามาเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายเท่นั้นแต่เราไปคิดว่าเราเป็นขึ้นมาแล้วเราเชื่อความคิดของเราเ็าเรียกว่าหลงไงเหมือนกับเวลาที่เราไปทอดลูกแล้วเขาเอาลูกคนอื่นมาให้เรานี่เราก็เชื่อใช่ม ก็เป็นลูกของเราเนี่ยแล้วสิบปีต่อมายี่สิบปีก็มีไปพลิกประวัติดูว่าไม่ใช่เนี่ยคนละคนก็บอกบอกเราคนนี้ไม่ใช่ลูกเราแต่เรายอมีคืนเข้าไปไหมไม่ยอมนะใช่ไหมทั้งๆที่ไม่ใช่ลูกของเราอ่ะเพราะเราเชื่อว่าเป็นลูกของเราแล้วคิดว่าเป็นลูกของเราก็เลยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมแลกกันเอาลูกของเรามาก็ไม่เข้าไม่เอาลรูกแท้ๆของเราเราไม่เอาละพอเราคิดว่าไอ้ลูกคนนี้มันเป็นลูกของเราแล้ว นี่แความหลงมันทับเพราะความคิดของเราเองแล้วเราก็เชื่อความคิดของเรามันก็เลยหลงเราจรึงต้องมาทําลายความหลงโดยการมาดูร่างกายถามมันหาตัวเราว่าอยู่ในตรงไหนของร่างกายเข้าไปค้นดูเนอาการสาสองเนี่ยผมขนเละปันเนี่ยหนังเนื้อเอ็นกระดูกลองไล่ไปแต่ละชิ้นเดีเ๋ยวไอเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าแล้วเวลามันถอนผมไปถอนขนไปแล้วเราหายไปด้วยเปล่า สมัยนี้มีเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจคนอื่นมาแล้วไอ้คนนั้นมาแบบหรือเปล่าเวลาเดี๋วนี้เขาเปลี่ยนหัวใจเนี่ยอไอ้หัวใจคนนั้นมาใส่ในร่างกายเราไอ้ไอ้คนนั้นมันมาอยู่ในร่างกายเรารู้เปล่าใช่ไหมลองพิจารณาดูแล้วมันจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ได้มีเราอยู่ในนี้เลยมันไม่ได้เป็นตัวเราเลยไม่ได้เป็นเป็นของพ่อแม่พ่อแม่ก็ยืมมาจากดินน้ำลมไฟอีกต่อนึ่ง ใช่ไหมเพราะแมกินข้าวเข้าไปกินน้ำก็ไปหายใจเข้าไปมันก็มาผสมกันทำให้มันเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายไปมันไปไหนไ<ป>อ่ะมันก็ไปหาดินน้ำลมไฟใช่ไมแล้วมันเป็นเราตรงไหนไม่มีเราให้เห็นชัดๆแล้วมันจะได้ไม่ไปยึดไปติดจะได้ปล่อยได้จะได้ไม่กลัวตายผู้ที่ตายไม่ใช่เราเราไม่มีวันตาย พราเราไม่มีรูปไม่มีร่างเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองคือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดแต่คิดด้วยความคิดด้วยความหลงเพราะตัวเองไม่มีร่างกายพอ ไ, ได้ร่างกายมาก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวเราขึ้นมาแล้วก็ไปยึดไปติดไปทุกข์กับร่างกายเพราะไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันจากเราไป แต่ถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ปล่อยแก่เจ็บตายไปมันไม่ใช่เราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะเป็นเหมือนหมอร่างกายก็จะเป็นเหมือนคนไข้หมอทุกข์กับคนไข่ไหมหมอก็รักษาไปตามเหตุใช่ไหมรักษาได้ก็รักษาไปกินได้ก็ให้กินไปถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินรักษาไม่ได้ก็ตายหมอไม่เดือดร้อนท่าหร่ อ๋อหมาไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจจะไปเดือดร้อนกับร่างกายทำไมเพราะความหนงเพราะไปคิดว่าเป็นร่างกายถึงต้อมาพิจารณาร่างกายนี่คือการพิจารณาร่างกายของเราเองแต่ถ้าพิจารณาร่างกายของคนอื่นก็มีสองเหตุผลคือหนึ่งก็ให้รู้ว่าร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันไม่ได้เป็นตัวเขาอย่างพ่อแม่เนี่ยเวลาเขาร่างกายเขาตายไปนี่พ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวพ่อแม่ยังอยู่ อยู่ที่ตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเราจะได้ไม่เสียอกเสียใจใช่ไหมแล้วที่ให้คิดดูไม่สวยไม่งามของร่างกายของคนอื่กก็เผื่อเราไปเห็นใครเราชอบขึ้นมาเราจะได้ดูความไม่สวยงามของร่างกายของเขาเราจะได้ตัดความชอบเพราะไม่ชอบแล้วมันจะไปยึดไปติดไปรักไปหวงแล้วก็จะไปไปมีความสัมพันธ์กับเขา แล้วเวลาไม่มีเขาก็จะทุกข์ขึ้นมาจะอยู่คนเดียวไม่ได้จะเกิดความเหงาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งมันมันมีหลากหลายด้วยกันการพิจารณาต่างๆดังั้นเบื้องต้นถ้าเรายัางพิจารณาไม่เป็นเอาสติให้ได้ก่อนหยุดมันหยุดความคิดให้ได้ก่อน ที่ผมปฏิบัติครับก็มีมีมีอยู่หลายครั้งครับที่ที่มันไปพิจารณาเองครับเกี่ยวกับเรื่องที่พระอาจารย์สั่งอมมสอนเมื่อสักครู่ครั บ, รบว่ า, ากายตกลงแล้วมันมันมันมั น, ม, นมาจากไหนมันใช่ของเราไหมผมเลยไปพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่เราเกิดมามาเป็นเราตอนนี้คือเป็นเพราะอาหารที่เรากินก็มีทั้งพืชมีทั้งปลาหมูไก่แสด <glowing>. งว่าพืชปลาหมูไก่เรา เรากินขึ้นมาแล้วมาเป็นร่างกายเราแสดงว่าร่างกายเราก็าประกอบไปด้วยต้นไม้ใบพืนใบหญ้าหมูปาาลาไก่ต้นไม้ใบหญ้ามันมาจากไหนต่อต้นไม้ใบหญ้าก็มาจากพวกอากาศน้ำอากาศก็ลมน้ําก็น้ํา<อ>ดินก็ดินขณะนี้ก็ลมก็เข้าไปก็ทุกอย่างก็เป็นน้ําลมไฟที่เรากินเข้าไปมันมาจากดินน้ําลมไฟในรูปแบบต่า ง, างๆเหมืนนมนนอนขนมนมเนยนี่มันก็มาจากอย่างอื่นใช่ไหม ้นมเค้กมันมาจากไหนมันก็มาจากแป้งมาจากน้ําตาลมันมีเหตุให้เราไล่ไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะไปตกที่ดินน้ํานมไฟทั้งหมดนั่นแหละน้ําตาลมันก็ต้องมาจากดินมาจากต้นต้นอ้อยหรืออะไรขึ้นมามันต้องมีดินมีน้ํามีนมมีไฟทั้งนั้นอ่ะของทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยงั้นที่สุดมันก็จะสรุปตรงไปที่ว่ามันมาจากดินน้ํำนมไฟนี่เราไปยึดติด ก, กับก้อนดินก้อนน้ําก้อนนมก้อนไฟ ที่จะต้องแยกตัวออกจากกันในที่สุดเวลาคนตายไปมันไปไหนมันกลับไปคนละทิ์คนละทางเลยไหมดินก็มันมันก็ไปหาดินน้ำก็ไปหาน้ำลมก็ไปทางลมไฟก็ไปทางไฟไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยร่างกายแต่ใจที่เป็นเจ้าของร่างกายที่ครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายแล้วก็ต้องไปหาร่างกายใหม่เพราะยังมีความอยากยังอยากจะใช้ร่างกาย ความสุขต่อก็เลยไปหาพ่อแม่ใหม่ไปหาร่างกายใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายพาไปดูไปฟังไปกินไปดื่มใหม่ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่พระพุทธเจ้าพระร้านนี้ท่านตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้หมดท่านก็เลยไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกาย ก็ลเลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่เพราะท่านมีความสุขจากการทำใจให้สงบตอนต้นต้องทำใจให้สงบก่อนมีความสุขก่อนเราถึงจะเลิกความสุขทางร่างกายได้ต้องสร้างความสุขทดแทนมาก่อนถ้าเราไม่มีความสุขทดแทนเราก็จะทิ้งความสุขเก่าไปไม่ได้เหมือนถ้าตอนนี้เราใช้รถเก่าอยู่นี่ ถ้าเราไม่มีรถใหมน่นี้เราก็ไม่กล้าทิ้งรถเก่าไปใช่ไหมถึงแม้มันจะเก่าก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้อยู่แต่ถ้าได้รถใหม่มาปั๊บเราจะเก็บไวนะ้ไหมเก็บกาเปล่าเปล่ า, าใช่ไหมไม่อยากจะขับมันะขับรถใหม่ไม่ดีกว่านะพอได้รถใหม่ล้วก็ทิ้งรถเก่าได้ความสุขก็เหมือนกันตอนนี้เราใช้ความสุขทางร่างกายกันเราต้องมีร่างกายพาเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง นี่พอเรามานั่งสมาธิจเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้จิตสงบก็ได้ความสุขทางใจขึ้นมาที่ดีกว่าที่ง่ายกว่าไม่ต้องใช้เงินนั่งสมาธิปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยไม่ต้องไปหาเงินมาให้เด็ดให้เหนื่อยพอเราได้ความสุขแบบนี้เราก็ทิ้งความสุขแบบเก่าได้เพราะมันเป็นความสุขไม่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป ความสุขต่างๆมีแฟนเดียวสักวันก็ต้องจากกันมีอะไรสักวันก็ต้องจากกันแต่มีสมาธิแล้วมันไม่จากเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราก็เลยทิ้งของเก่าไปทิ้งความสุขทางร่างกายไปก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่นี่คือการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดยุดที่ความอยาก หยุดที่กามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลนะิ่นรสหยุดที่ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันมีสามระดับด้วยกันความอยากระดับแรกก็ระดับร่างกายภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันความความสุขความอยากในในในจิตใจในภาวะจิตของจิตใจให้จิตใจสงบจิตใจเย็นมีความสุขเลย คามอยากนั้นก็ยังทําให้บาเกิดแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นพรหมแทนเกิดเป็นรูปประรมเป็นอรูปประพร ม, อมพอตัดความอยากทั้งสามได้หมดก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นพระอาหารหันต์เป็นไปพระนิพพานไปอ่าตอนนี้เปิดโอกาสให้ทางบ้านตรงนะั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ส่งมาหลายข้อแล้ว ง, ง, งั้นเหรอยืนยมี มีคนึคำถามครับาจากคุณเจครับในทุกขณะการหายใจทั้งกำหนดลมเข้าออกเสมอทุกเวลาทำงานทุกขณะตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าครับถึงมีอาการจุกหนักตรงกลางอกคะ่ะเป็นเพราะอะไรคะคือการดูลมหายใจนี่ควรจะดูเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเราก็เลยดูลมได้ แต่ถ้าเราทำงานต่างๆอย่าไปดูลมดูงานที่เรากำลังทำอยู่ให้ใจจดจ่ออยู่กับการงานเพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไปดูลมแล้วไปทำงานด้วยมันจะทำให้เครียดได้ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ได้พรอมันจะชนกันมันจ ะ, ะแย่งกันไหนใจจะดูลมไหนใจจะดูงานมันก็ไม่ถูกนะ อาจจะเวลาไม่ได้นั่งสมาธินี้ให้ดูกายดูการกระทําของร่างกายเช่นกําลังอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ํากําลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ขณะที่ทําอะไรอยู่ให้อยู่กับงานที่เราทําเพียงอย่างเดียวนี่เรียกว่ามีสติแต่พอเรานั่งสมาธิเราไม่ได้ทําอะไรเราก็ดูลมไปดูอย่างเดียวดูเรื่องเดียวดูสิ่งเดียว จิตจะได้รวมได้จะได้สงบได้แล้วจะไม่เครียดจะไม่อึดอัดอ่าเฟร็ดคำถามจากคุณการปรามาัดบารมีแปลว่ายอย่างไรครับคำว่าปรามาัดนี่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นธรรมขั้นสูงอ่ะเป็นธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดป ร, ามารมัดตาธรรม คำถามจากคุณนัชราอยู่ต่างประเทศค่ะสวดมนต์ทำสมาธิที่บ้านเป็นประจําจะได้อ น, นิสงส์งอะไรไหมคะก็ได้นั่งสมาธิก็จิตก็จสงบสวดมนต์ก็จะได้สติทําบุญก็จะได้ได้บุญมันก็ทําอะไรก็ได้ตามที่เราทำนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่จําเป็นจะต้องอยู่วัดคําถามจากคุณลิศ ขอพระอาจารย์สอนวิธีลดหรือกำจัดนิวรณ์ห้าครับอาก็แล้วแต่เรามีนิวรณ์ตัวไหนแล้วก็ไปลดมันสิถ้าเรามีการอารมณ์เราก็ไปเลิกการอารมณ์อย่าไปเที่ยวอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นลดเรียกการมฉันทะติดรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องถือศีลแปดอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปทำอะไรมันก็จะลดได้ถ้ามีความโกรธ ก็แผ่เมตตาให้อภัยอย่าไปทื้อโทษโกรธเกลิงใจอย่าไปอยากได้นู่นได้อยากได้นี่พอเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็จะโกรธถ้าไม่อยากก็จะไม่โกรธให้ยินดีตามมีตามเกิดให้ถือสันโดษแล้วก็จะไม่โกรธง่ายที่โกรธเพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นดังใจอยากก็โกรธขึ้นมาก็ศึกษาไปถ้าง่วงนอนก็อดข้าวอย่า ถ้าอดขาวเนามันก็ไม่ง่วงถ้นั่งสมาธิแล้วชอบหลับก็ถือศีลแปดอยา ก, กินข้าวเย็นกันคำถามจากคุณสุวัฒนาการที่มีคนมาด่าว่าเราชอบโกงเราแต่เราพยายามให้อภัยและแผ่เมตตาให้เขาจัดเป็นอภัยทานไหมคะและจะได้บุญไหมคะได้เลยเราจะได้ไม่โกรธเขาเราก็จะได้สบายใจ เวลาโกรธนี่ก็เหมือนกับเอาเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับพอเราให้อภัยเขาได้เราก็ไม่โกรธเราก็เย็นสบายนอนหลับสบายคําถามจากคุณน้ําเงินในการปฏิบัติหน้าที่การงานหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆทําอย่างไรจะปฏิบัติธรรมและสมาธิในการทําหน้าที่ในทางโลกนั้นควบคู่กันไป ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำไงอย่าไปคิดเรื่องอื่นขณะที่ทํางานอให้อยู่กับเรื่องงานอย่างเดียวเราก็จะมีสติแล้วพอเราว่างจากงานเราก็นั่งสมาธิอย่าไปคุยกันอย่าไปกินขนมนมเนยออย่าไปอ่านหนังสือพิมพ์อนั่งสมาธิก็จะได้สมาธิได้ความสงบเราสามารถทําได้ในในชีวิตประจําวันของเราแต่เราไม่ทํากัน เวลาทำงานก็เครียดทําไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเวลาเวลาว่างก็แทนที่จะนั่งสมาธิก็ไปดูหนังสือพิมพ์ไปเปิดดูโซเชียลอะไรกันแล้วก็ไปไปด่ากันไปว่ากันในนั้นเองมันทำในเรื่องที่มันทําให้ตัวเองทุกข์ให้เครียดไปเปล่าๆเรื่องที่ทําให้ตัวเองสงบมีความสุขกับไม่ทากัน จากคูณอรุณรับเวลานั่งสมาธิทําอย่างไรให้ทนกับเวทนาได้นานๆเพราะพอนั่งไปสักยี่สิบนาทีเวทนาเกิดนั่งไม่ถึงชั่วโมงสักทีค่ะให้บริกรรมต่อไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บนะสวดให้เร็วขึ้นบริกรรมให้เร็วขึ้นให้เกาะติดอยู่กับคําบริกรรมอย่าส่งให้จิตไปคิดถึงความเจ็บแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้ พอสักพักหนึ่งถ้าบริกรรมได้สักพักนึงความเจ็บจะรู้สึกเบาหายไปแล้วก็จะนั่งต่อไปได้คำถามจากคุณกุ้งกับเรียนสอบถามเรื่องกรรมอดีตเราเคยลักขโมยแต่พอปัจจุบันเราไม่ทําแล้วอยากทราบว่าผลของอดีตมันจะส่งผลให้เราเป็นอย่างไรบ้างก็เราก็ต้องถ้าทาอะไรมาขโมยของเขาต่อไปก็คงจะมีคนมาขโมยของเราบ้างนะ มมันกกกรรกไปคำ ถ, ถามจากคุณปฏิพัฒน์สีนห้าไปนิพพานได้ไหมครับอ๋อไม่ได้หลอกสีนห้าอย่างเดียวไปไม่ได้สินห้าเป็นแต่ป้องกันไม่ให้เราไปอาบายเท่านั้นเองถ้าเรารักษาสินห้าได้ก็ปิดประตูอาบายได้คำ ถ, ถามจากคุณสมบูรณ์ขอพระอาจารย์เมตตาสอนวิธีนั่งสมาธิด้วยค่ะ ก็พุโทโธพุธโทโธไปนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดอะไรไม่ต้องดูลมนั่งบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุโทโธดูลมไปอย่างเดียวให้อย่าให้ไปคิดอะไรปัญหาก็คืออย่าคิดถ้าคิดแล้วนั่งไปก็จะไม่สงบคำถามจากคุณออนอุมา อยากถามพระอาจารย์ว่าเพื่อนชอบดูหนังและกีดดรามากเขาบอกเขาแยกจิตได้เวลาทำบุญจิตเขาก็อยู่กับการทำบุญอย่างนี้เขาทำได้จริงไหมคะ เ, ออเรื่องการทำบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับการเรื่องไปไปดูไปฟังอะไรถ้าจะจะไม่ดูไม่ฟังต้องถือสิลแปดได้ เรื่องทำบุญนี่ไม่เกี่ยวกันเรื่องทำบุญก็เรื่องทำบุญเรื่องไปดูคอนเสิร์ตไปกีดกับคนนั้นคนนี้ก็เป็นเรื่องคนละเรื่องกันไม่ไม่ได้มาหากห้ามกันไม่ได้มายับยั้งกันถ้าจะยับยั้งได้ก็ต้องถือศีลแปดถ้าถือศีลแปดก็ไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ไปลองกีดก้์ไปเต้นรงเต้นกาไม่ได้ต้องสำรวมต้องสงบต้องนิ่งคำถามจากคุณแอ การสวดมนต์เป็นบุญกุศลประเภทศีลหรือประเภทภาวนาครับเประเภทภาวนาเพื่อการฝึกสติเจริญสติไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งคำถามจากคุณตามรอยพระป่าในการยุติดิกายเป็นธรรมยุตต้องเตรียมอะไรบ้างครับในการยัติยัติก็เกิดเปลี่ยนสมมติเราบวชใน มหานิกายประเทศไทยนี่มีสงฆ์อยู่สองนิกายมหานิกายกับธรรมยุทธ์นิกายถ้าเราเป็นมหานิกายเราอยากจะไปเป็นธรรมยุทธ์เราก็ไปก็ไปบวชใหม่นะะั่นแหละพูดง่ายๆเขาเรียกว่ายาติแต่ความจริงคืก็คือไม่ได้ศึกก็คือศึกแล้วก็บวชเลยนั่นแหละคำถามจากคุณเกศรินการสวดมนต์ทุกวันได้บุญแบบไหนคะก็ได้สติ่ง สติคํถาถามจากคุณสราวุธสมาธิแบบไม่ต้องนั่งสมาธินี้ไหมครับก็เนี่ยก็เดินจงกรมไปพุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าจะเป็นสมาธิต้องนั่งถ้าไม่นั่งมันก็จะไม่ได้สมาธิจะได้สติเป็นส่วนใหญ่าการจะให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิร่างกายต้องนิ่งก่อนถ้าร่างกายไม่นิ่งจิตมันยังทํางานอยู่ จิตมันต้องคอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรอยู่มันก็นิ่งไม่ได้เหมือนกับนอนหลับเวลาจะนอนหลับนี่เดินหลับได้ไหมเวลานอนหลับก็ต้องนอนใช่ไหมถึงจะหลับเวลาจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งถึงจะได้สมาธิคําถามจากคุณอุทัยตอนนี้จะเห็นความคิดหยุดไม่ได้ดูตามก็ขาดเป็นระยะแต่จิตอยู่เฉยไม่ดิ้นรน เป็นแบบนี้3ปีแล้วค่ะตั้งแต่ไปกราบพระอาจารย์ครั้งสุดท้าย3ปีที่แล้วดูตามแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปหรือคะไม่ต้องหยุดมันไงใช้พุโทโธอย่าปล่อยให้มันคิดมันคิดมันก็อีก10ปีอีก30ปีมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็จะไม่มีการเจริญก้าวหน้าจิตจะไม่จะไม่เข้าสู่สมาธิได้จะไม่สงบได้ต้องหยุดมันต้องพุโทโธพุโทโธอย่าให้มันคิด แล้วมันก็จะเป็นสมาธิมันก็จะสงบจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้คำถามจากคุณโมเมหนูมีแม่บ้านทำงานหนูสงสัยเขามานานมากๆแล้วที่ผ่านมาของหายเป็นชิ้นเล็กๆแต่นานเข้าของมีค่าหลายบาทแต่หนูยังจับไม่ได้ที่ผ่านมาหนูทําหนูไม่ทำอะไรเลยส่วนลึกๆในใจหนูอยากไว้ใจเขาหนูไม่รู้ต้องทาอย่างไรถ้าเขาเอาของ ไปจริงจริงหนูควรให้อภัยเขาและร้อยเขาได้รับในสิ่งที่เขาทำหรอคะโดยที่หนูคิดว่าอโหสิอโหสินั่นคือสิ่งที่หนูจะต้องคิดแบบนี้หรือเปล่าคะมันก็ต้องคิดทั้งสองอย่างของที่ก็ไปแล้วก็โหสิของที่ยังไม่เอาไปก็ควรจะหาวิธีรักษาป้องกันอย่าให้เข า, เาไปเพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ของที่เรามีอยู่ถ้าเขาเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรใช้ อย่งางของที่เรามีอยู่เขายังไม่เอาไปก็ต้องหาวิธีรักษาไว้ก็มีสองวิธีถ้าคิดว่าเขาเป็นเอาคนเอาไปก็ให้เขาออกจากงานไปถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องหาลิ้นชักหาอะไรใส่ใส่กุญแจเก็บไว้ส่วนของที่เราให้เขาได้ก็เขาอยากเอาไปก็เอาไป แต่ถ้าเข้ า, เาไปแล้วเราก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาอย่าไปโมโหคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปหมแล้วเลยถ้าเขาเอาไปแล้วก็อย่าไปเสียสองต่อใช่ไหมเสียของเราอย่าไปเสียใจแต่ถ้าเขายังไม่เอาไปก็หาวิธีปกป้องรักษาไว้ถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนเอาไปก็ให้ใ ห, ให้เขาออกไปถ้าเรายัง ถ้าเราต้องการรักษาของเราเราก็ต้องเราก็ต้องให้เขาไปแต่ถ้าเราเรายังอยากเขาอยู่เราก็ต้องทําใจว่าถ้าเขาจะออกไปก็คิดว่เาเป็นการทําบุญใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกันด้วยเงินเดือนเราให้เขาไม่พอเขาก็เลยต้องมาเอาเงินเดือนเพิ่มด้วยการเอาของไปขายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สบายใจเสียงเสียงเดงเดียวอย่าไปเสียงสองเดง ของภานอกนก็ต้องเสียอยู่แล้วข้าวของเงินทองนี้มีมากมีน้อยเดี๋ยวตายไปก็เราก็เอาไปไม่ได้ก็เป็นของคนอื่นไปอยู่ดีนั้นเราไม่ควรไปเสียใจกับของที่เราจะต้องเสียอยู่แล้วรักษาใจด้วยการไม่ไปโกดแค้นโกรธเคืองรักใจด้วยรักษาใจด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้เป็นของเราสักวันนึงมันกับเราก็ต้องจากกันไปแล้วเราก็จะสบายใจ มีอีกไหมเข้ามาคําถามจากคุณออมเวลาจิตเบากายเบาแล้วต้องทําอย่างไรต่อคะก็รักษามันให้มันเบาให้มันสบายไปเรื่อยหมดแล้วมีอีกไหมในในการปฏิบัติอย่างนั่งสมาธิแล้วมันก็เบาไปเรื่อยเอยแล้วควรจะเอาปัญญาเข้ามาพิจารณาบางอย่างไหมคะอย่างตลอดตอนต้นอย่าให้มันเบาไปพิจารณาแล้วมันก็ไม่เบาเลยเดี๋ยวมันก็หาย ใหามันเบาไปจนกว่ามันจะไม่เบามันจนกว่ามันจะออกมาคิดนะถึงจะใช้ปัญญาคิดไปในทางให้มันเบาต่ อ, อการคิดนี้ถ้าเราคิดเป็นมันก็จะทำให้ใจเบาได้ก้าคิดปล่อยวางถ้าไปคิดยึดติดมันก็จะทำให้เราหนักพอเราคิดปล่อยวางไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วอย่างเข้าของเงินทองที่คนที่เขาเล่ามาเมื่อกี้ตอนนั้นต้องใช้ปัญญาละตอนที่ใจมันจะเริ่มหนักแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่า ปล่อยวางแล้วมันจะเบามีเวลาใช้ปัญญามันมีเวลาที่ไม่ใช้ปัญญามันมีต้องรู้จักแยกเวลาเวลานั่งเฉยๆทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดอะไรอย่าไปใช้ปัญญาตอนนั้นใช้สติประครับประคองใจให้มันนิ่งไปเรื่อยๆแต่พอมันออกมาจากจากสมาธิแล้วมันไปเจอปัญหาต่างๆถ้าใช้ปัญญาได้ใช้เลยแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้สติประครับประคองไปก่อนก็ได้ หยุดคิดหยุดกังวลด้วยการพุทโธพุทโธไปหรือถ้าใช้ปัญญาก็ว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวตอนนี้ถ้ามันไปก็แสดงว่าเจ้าของก็มาเอาไปแล้วมันก็จะสบายใจได้มันก็จะเบาใจต่อได้นั้นเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องการคิดไม่ต้องการพิจารณาเราต้องการให้มันรู้เฉยๆให้มันสงบให้มันเย็นให้มันเบาให้มันสบาย พอจากสมาธิแล้วพอมันจะไม่เบาก็ใช้สติต่อก็ได้หรือจะใช้ปัญญาก็ได้แล้วแต่กรณีถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาเลยเพราะมันจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรถ้าใช้สติมันก็จะเพียงแต่แก้ช่วยช่วงข่าวรักษาไว้ได้ช่วเขาว่าวถ้ามันมีบางครั้งที่มันอยู่มันก็รวมแล้วตกวุ้นไปอย่างเนี้นค่ะก็รู้เฉยๆรู้เฉยๆ ให้มันวุบไปก็แล้วให้มันนิ่งเฉยๆนานๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปดีออกดีใจให้รู้เฉยๆบางทีเวลาที่มันวุบไปมันเหมือนจะมีตัวเนี่นมาเอาะบอกว่าคล้ายๆกัรีบไปจับมันนั่นแหละก็ความคิดนะ่ะกิเลสตัณหามันโผล่ขึ้นมาแล้วให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรประคับประคองให้มันนิ่งต่อไปอย่าให้มันไปคิดอะไรมีอะไรเข้ามาไ ห, ไห้อืมอ่าเข้ามา คำ <önemli S 2> ถามจากคุณเกษรินพยายามบริกรรมพุทโธแล้วแต่จิตก็ยังมีความคิดอยู่มีวิธีที่ละเอียดกว่านี้ไหมคะไม่มีแล้วก็พุทโธสู้กันไปคิดได้ความคิดก็เป็นของเราพุทโธก็เป็นความคิดของเราเราชอบไปคิดในทางอื่นไม่ชอบคิดในทางพุทโธเห็นตัองพยายามบังคับให้มันคิดในทางพุทโธบ่อยๆแล้วต่อไปความคิดทางอื่นมันก็จะหายไปเอง คุณมนทิลาการถือศีลแปดจะไปนิพพานได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกศีลอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมาธิมีปัญญาด้วยศีลเป็นตัวเริ่มต้นที่จะพาไปสู่การมีสมาธิแล้วการมีสมาธิก็จะพาไปสู่การมีปัญญาต่อไปคาถามจากคุณวันชยัยตอนนี้ผมขาหักนั่งสมาธิไม่ได้ นอนทำสมาธิได้ไหมครับนั่งดูนั่งดูทีวีได้ปะถ้านั่งดูทีวีได้ก็นั่งสมาธิได้ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้อาจจะหาทางนอนอยู่ทางเดียวออ้ทีเวลาดูทีวีนะยไม่นอนดูถ้ายังนั่งทำอย่างอื่นได้ก็นั่งนั่งสมาธิได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งขัดสมาธินั่งพักเทียบนั่งห้อยเท้าก็ได้ นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนขอบเตียงก็ได้นั่งดีกว่านอนเพราะนอนมันจะหลับไม่ใย่อะไรหรอกถึงไม่น่ไม่ให้นอนสมาธิกันเพราะมันจะกลายเป็นนอนหลับแต่อยากจะได้สมาธิต้องนั่งสมาธิคำถามจากคุณกับชัยตอนนี้ก็ผมมีปัญหาเกี่ยวกับมดมแมลงที่เข้ามาในบ้าน ที่บ้านมีเด็กเล็กต้องคอยระมัดระวังก็เลยต้องมีการกวาดพื้นดูดฝุ่นหรือปัดบางทีต้องหยิบออกบางครั้งมดหรือมแมลงก็มีตายบ้างแต่เราไม่เคยมีเจตนาที่จะฆ่าเขาเพียงแต่บางครั้งมีการเก็บกวาดแรงๆเลยทําให้มดมแมลงตายแบบนี้จะผิดศีลข้อปานาติเปล่าหรือเปล่าครับผิดเลถ้าทําให้เขาตายก็ผิดแล้ว ห, หมดแล้วค่ะเออหมดแล้วหมดแล้วก็พอนะ